แนะนำบทอั阿ลอลักบทอั阿ลอลักเป็นบทมักิยาะมีสิเกองค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้การริ่มลงองค์การให้แก่นบีคนสุดท้ายคือมูฮัมหมัดสลลลฺอะลัยะสัลลัมการละเมิดขอบเขตของมนุษย์และการไม่เชื่อฟังพระบัญชาของอัลลอ์เรื่องของมนุษย์ชั่วช้าอบูยันที่ขัดขวางท่านรอซูนสลลลฺอะลัยวะสัลลัม มิให้ทําการละหมาดบทนี้ได้เริ่มด้วยการบรรยายถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อระซูลของพระองค์ด้วยการประทานอัลกุรอานปาฏิหารอันเจรังและการกล่าวถึงความโปรดปรานครั้งแรกขณะที่ท่านนาบีกําลังเคารพพักดีต่อพระเจ้าของเขาณถ้ำคิรอโดยที่องค์การถูกประทานลงมาด้วยบทนี้ได้กล่าวถึงการละเมิดของขอบเขตของมนุษย์ในการดํารงชีวิตนี้ด้วยพลัง และความมั่งคัง่งและการขัดขืนคำสั่งต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากความมั่งมีของเขาความจริงแล้วจำเป็นที่พวกเขาจะต้องขอบคุณพระเจ้าของเขาต่อความโปรดปรานที่เขาได้รับมิใช่ด้วยความเนรคุณและได้เตือนเขาให้กลับหาพระเจ้าของเขาเพื่อหวังการตอบแทนวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องของอบูยฮันซึ่งถือเป็นปรอาของประชาชาตินี้ เขาได้ขู่เข็นและคุกคามท่านรอซูลและห้ามปราไม่ให้ท่านทำละหมาดเพื่อแสดงความมีชัยแด่รูปปั้นและเจเวททั้งหลายบท น, นี้ได้จบลงด้วยสัญญาร้ายแก่คนชั่วที่ปฏิเสธศรัทธาด้วยการลงโทษอย่างหนักหากเขายังคงอยู่ในการหลงผิดและการละเมิดขอบเขตและได้ใช้ท่านรอซูลไม่ฟังคาขู่ของอาดยากรผู้กระทาความผิดคนนั้นบท น, นี้ได้เริ่มด้วยเรียกร้อง ไปสู่การอ่านและการเรียนการศึกษาและจบลงด้วยการละห ม, มาดและการพักดีเพื่อให้ความรู้กับการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันและการเริ่มต้นและการจบที่มีความสอดคล้องกันด้วยพระนางของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลกุราบิสมิร์ราะมิรราะห์หิมโดยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ มุฮัมมัดจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระผู้วิบาลของเจ้าผู้ทรงบังเกิดพระองค์ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้ Muhammad, นเลือดมุฮัมมัดจงอ่านเถิดและพระผู้วิบาลของเจ้านั้นทรงใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปกากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ ลลมไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้นย่อมจะละเมิดขอบเขตเ น, นื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้วลบบรรแท้จริงอย่างพระผู้วิบาลของเจ้าเท่านั้นคือการกลับไปแริงอย่างพระผูาอเันาล เจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่ขัดขวางบ่าวคนหนึ่งเมื่อเขากำลังละหมาดเจ้าคิดบ้างไหมว่าหากบ่าวผู้นั้นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือชายผู้คนมีความยังเกรง เจ้าคิดบ้างไหมว่าหากเขาปฏิเสธและผินหลังให้เขาไม่รู้ดอกรู้ว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงเห็นไม่ใช่เช่นนั้นถ้าเขายังไม่หยุดยังเราจะจิกเขาที่ขมม อย่างแน่นคนวมที่โกหกที่ประพฤติชั่วแล้วเขาเรียกที่ประชุมของเขาเราก็จะเรียกผู้คุมนรกไม่ใช่เชนั้นเจ้าอย่าได้เชื่อฟังมันแต่จงสืยุทธกราบและเข้าใก ล, าาล้าอลอเถือ